ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพบกับรายการสังสนีส น, น, นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว SM106 ค่ะวันนี้เป็นวันที่ดิฉันเชื่อว่ามีคนจานวนมากทีเดียวตื่นแต่เช้าตรูนะคะเพื่อที่จะไปทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสำคัญของประเทศชาติคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ12สิงหาค่ะในห่วงเวลาที่ผ่านมา ก็จะมีกิจกรรมดีๆมากมายถ้าเกี่ยวกับทางด้านศาสนาพุทธมีการบวชนะคะหรือว่าอุปสมบทพระภิกษุบรรพชาสามเณรเป็นจำนวนมากบางที่ก็บวชกันตามจำนวนพระชนมายุของพระองค์นั่นถือว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่คิดวดีที่สุดสำหรับเราเราก็อยากจะทำให้กับบคุคคลที่เรายกย่อง รายการสัสมมนาสนทนานะคะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุโนท่านเพื่อนในการหลักสูตรหลีกเร้นจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งท่านก็ได้นำพวกเราได้ทำในสิ่งที่เป็นกุศลได้มีความรู้ในสิ่งที่เราจะไปทำให้เกิดกุศลกันต่อๆไปไปกราบนมัสการท่านกันเลยค่ะนมัสการท่านคะเชิญปานเรามาเริ่มการฟังธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรม การไม่ได้ไปทนี้ก็สามารถถวายเป็นพระราชกุศลได้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหน้าได้และโดยเริ่มต้นให้เรามาตั้งสติเอาไว้สตินี้แปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้พระพุทธเจ้าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงนายทวานหรือว่ายามที่เฝ้าประตูจะคอยตรวจตราคนที่เข้าคนที่ออกอยู่ เช่นเดียวกันจิตของเราให้ตั้งสติเอาไว้คอยตรวจตราสิ่งที่เรารับรู้ทางหูตรวจตราสิ่งที่เราเห็นทางตาตรวจตราความคิดที่ผ่านมาทางใจหรือว่ากลิ่นที่เราได้รับลิ้นจากทางจมูกตรวจตาดูซิว่ามีคนที่ไม่ดีเข้ามาไหมยามนี้เขาจะตรวจเช่นเดียวกันกันกบสติที่เราตั้งขึ้นไว้เนี่ยเพื่อที่จะตรวจดู ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาสู่ทางใจงเราหรือไม่เราจะตรวจดูได้ก็ด้วยการที่เราเอาใจกอเรามาจดจอ่อจดจ่อไว้สักที่ใดที่หนึ่งคำว่าเอาใจจดจ่อนี้ก็คือเหมือนกับยามที่เขาจะคอยเพ่งดูนะมองดูคนเข้าคนออกตรวจดูบัตรตรวจดูหมายเลขต่างๆตรวจดูใบหน้าเช่นเดียวกันเวลาที่เราเอาใจกอเรามาจดจ่อเนี่ยเอาจดจ่อไว้สักที่ใดที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเลึกรู้ถึงลมหายใจการที่มีลมผ่านเข้าผ่านออกเรามารู้อยู่นะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเอาตรงนี้เป็นตำแหน่งหลักเพราะเราจุดนี้เป็นหลักเหมือนกับเวลาที่นายทวารหรือว่ายามเขามีป้อมยามของเขาอยู่บริเวณนี้เนี่ยจิตของเรามีที่อยู่ล้เหมือนกับนายทวารมีป้อมยามแล้วก็ดูดูที่จิตของเราว่า ความคิดอะไรผ่านมาความคิดอะไรผ่านไปกลิ่นอะไรผ่านมาผ่านไปเสียงอะไรผ่านมาผ่านไปนี่แล้วก็ไม่ให้ลืมหลงลมหายใจแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจตลอดความคิดที่ผ่านมาผ่านไปอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดเรื่องเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างเนี่ยคิดไปแล้วไม่เป็นไรแต่เราอย่าลืมหลงหลม เพราะว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยล้วก็มีสติอยู่เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่ละแต่สตินี้จะมีกำลังมากหรือน้อยทาให้เราสามารถที่จะทำจิตเราให้มันระ ง, งับสงบลงก็ได้น้อยหรือมากตามกำลังของสติถ้าบางทีสติยังมีกาลังน้อยอยู่อาจจะมีความคิดนึกผ่านมาบ้างเผลอเลอหลงลืมไปบ้าง และถ้าบอกว่าเราลืมไปแล้วเราเลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งขึ้นใหม่อย่าให้มีความไม่สบายใจความเสียใจความกังวลใจว่าโอ้ทำไมลืมหลงลมไปแล้วหรือว่าเผลอสติไปแล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นเรานะมันจะเป็นช่องทางให้เจ้านิวรณ์ความที่ยิ่งจะทําให้จิตใจงเราเศรมองมันเกิดขึ้นแย่ให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงสติพอลืมไปก็ตั้งขึ้นใหม่ เวลาเราตั้งขึ้นใหม่นั้นจิตของเราก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งสติของเราก็จะมีความสามารถมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งการที่เราฝึกการกระทำไปในลักษณะนี้จิตของเราที่มีความสามารถในกำลังเรื่องของสติมากขึ้นเนี่ยความคิดนึกความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันจะมีกำลังน้อยลงพระพุทธเจ้าเบไวเหมือนกับ ถ้าเราจับสุนัขชิงจอกจับลิงหรือว่าจับนกมาผูกไว้กับเสาเกลื่อนหรือเสาหลักแห่งหนึ่งตราบใดที่ถ้ามันยังมีแรงอยู่มันก็พยายามที่จะดึงกลับไปสู่รังที่เที่ยวที่หา ก, กินของมันแต่ถ้ามันดึงไปดึงไปเสาเนี้ไม่เคลื่อนไหวติ่งไปที่ไหนกําลังมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงจนในที่สุดมันก็หมดแรงก็จะต้องมา ยืนเจา้านั่งเจา้าอยู่ที่ข้างเสาเกินืนเสาหลักเช่นเดียวกันถ้าเบอว่าจิตของเรามีสติตั้งไว้เป็นสติที่มีกําลังสตินั้นเปรียบเหมือนเสานั่นเองถ้าเบอกว่าเราไม่ลืมหลงโลมหายใจสตินั้นก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นมาขึ้นศาั้งหกชนิดนั้นพยายามที่จะดึงใบอยู่ก็จริงแต่ถ้าเบอกว่ามันไปไม่ได้มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลง เสยียงก็จะมีความอ่อนลงในการที่จะาดึงจิตของเรากลิ่นด้วยความคิดด้วยจะมีกำลังน้อยลงจิตของเราก็จะมีกำลังสติมากขึ้นการฝึกปฏิบัติตรงนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้ธรรมะสามารถที่จะให้ธรรมะเนียถาวายเป็นป ร, ราชกุศลได้เป็นข้อดีทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นทั้งกับทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ที่ชื่อว่าไม่เป็นบุรุษคนสุดท้าย เป็นผู้ที่สืบต่อธรรมะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นผู้ที่บูชายอย่างสูงสุดแล้วไหนเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติเรื่องของสตินี้อยู่ไปตลอดทั้งวันเลยสามารถที่จะทําในขณะขับรถก็ได้ในขณะกินอาหารก็ได้ในขณะพูดคุยก็ได้เหมือนกันเราฝึกไปอย่างนี้ก็จะมีความสามารถในเรื่องของสติเพิ่มขึ้นนั่นเองจเจริยนบอสสาธุค่ะ เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จเราสามารถเปล่งวาจาทีคายุโกโหตุมหาราชินีได้เลยใช่ไหมคะใช่ศั์คำนี้ทีคายุโกเนี่ยแปลว่ามีอายุยืนแต่ถ้าบอกว่าไปตรวจ ด, ดูในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยนะอันนี้มีที่เป็นพุทธพจน์เลยพระพุทธเจ้า ต, ตรัสคำเนี้ยทีคายุโกเนี่ยพูดถึงฤทธิ์อย่างที่สอง ของพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์สอย่างมีรัตน์เจอย่างแล้วก็มีฤทธิ์สอย่างหนึ่งใน4อย่างนั้นก็คือมีทีฆายุโกนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีอายุยืนอายุยืนนานเกินมนุษย์อื่นๆเช่นถ้าบิดว่าอายุมนุษย์ประมาณร0อยปีเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดินี่จะมีอายุ120ปีอันนี้จะเป็นธรรมดาของพระเจ้าจักรพรรดิที่จะมีทีฆายุโก ก็ได้ความรู้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้าใจทีนี้สอดคล้องกันเลยนะคะเผื่อว่าจะสนใจที่จะทำให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราเจริญสมถาวิปัสสนาได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะคะกุศลเนี่ยมากกว่ากันหรือว่าแยกได้ไหมคะว่าสมถะได้ห้าคะแนน พวิปัสนาด้วยจะได้10คะแนนสมถะกับวิปัสนาเป็นคนละอย่างกันเป็นอันเดียวกันยังไงคะเออคือเป็นคนละอย่างกันแต่ต้องมาด้วยกันเนะีเป็นคนละอย่างกันแต่ต้องมาด้วยกันพระพุทธเจ้าจัดหมวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมถะวิปัสนาเมตตาสมาธิฌานสมาบัติพวกเนี้ยอยู่ในหมวดของเรื่องของจิตใ น, นเรื่องของจิตคือการกระทําในจิตอันยิ่ง นั่นคือการภาวนาแล้วนี่คือถ้าเราแบ่งเป็นทานศีลแล้วก็ภาวนาใช่ไหมภาวนานี่คือเรื่องของที่อยู่ในจิตในใจของเราจะมีทั้งที่เป็นสมถะจะมีทั้งที่เป็นวิปัสนาเป็นเมตตากรุณาพวกนี้จะอยู่ในการภาวนาทั้งหมดนะทีนี้ที่คุณโยมติวถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วไหนจะมีค่ามากกว่ากันระหว่างสมถะกับวิปัสนาเนี่ยปิษุณนะีที่ชื่อว่าธรรมะ ทินนาจำได้ทินนาใช่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้สวยงามมากเลยคุณยมติวอันนี้เป็นมาในประสูนย์ประสูนย์หนึ่งนะคุยกับสามีเดิมตามถึงเรื่องนี้แหล ะ, ะท่านเปรียบเทียบถึงว่าถ้าคนที่จะขึ้นไปหยิบผลไม้บนต้นไม้เนี่ยนะจะไปหยิบผลไม้บนต้นไม้นีแล้วแต่ว่าไม่มีบันไดแล้วก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นใช่ไหมคนแรกคนแรก ก็ต้องคือต้องต่อตัวขึ้นไปนะคนแรกเนี่ยอยู่ที่ฐานอยู่ที่พื้นเนี่ยนะกู้เข่าสีขานะกู้เข่าสีขาแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นฐานที่มัน่นคงคนที่2เนี่ยก็ยืนเหยียบบนหลังของคนแรกแต่คนที่2นี่สูงหน่อยแต่เพื่อที่จะยืนเหยียบบนหลังของคนแรกแล้วก็ยกชูคนที่3ามขึ้นไปเพราะว่าตัวคนที่2เนี่ยก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแต่ถึงแม้จะยืนเหยียบบนหลังของคนแรกแล้วก็ตามคนแรกยืนสีขานะทีนี้พอคนที่2 ยืนเยียบนหลังแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงก็จึงหยิบนะอุ้มคนที่3เนี่ยคนที่3ามนี่ต้องตัวเล็กๆหน่อยตัวหนักไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าคนที่2นี่ต้องอุ้มขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าคนที่3เนี่ยพออุ้มขึ้นไปปุ๊บเขาสามารถที่จะมีมือที่จะหยิบจับพวกผ ล, ลไม้เนี่ยได้อย่างดีมีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวในตรงนี้นะถามว่าสามคนเนี่ยต้องทํางานด้วยกันจะบอกว่า อีกคนหนึ่งสําคัญกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะพูดไม่ได้คือถ้าคนที่สามคนเดียวเนี่ยคุณจะขึ้นไปหยิบผลไม้นี่ไม่ได้แน่นอนคุณต้องมีคนที่1คนที่2องถูกไหมถ้าจะมีแต่คนที่1หรือคนที่2มีคนไม่มีคนที่3ามมันก็จะไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นที่ภิกษุณีธรรมทินาท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าคนที่อยู่ที่พื้นคือคนแรกเนี่ยนะที่กู้ข่าวสี่ขาเนี่ยนะเพื่อให้เป็นฐานที่มมานโงเนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนศีลเปรียบเหมือนศีลแล้วคนที่สอง ที่ยืนเหยียบบนหลังคนแรกเนี่ยพยายามที่จะเอี่ยวตัวไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างเพื่อที่จะหยิบให้มันได้ครบในบริเวณนั้นเนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนกับสมาธิเปรียบเสมือนกับสมาธิแล้วคนที่3ในที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยมีมือที่จะหยิบได้อะไรได้เนี่ยอันนี้เปรียบเหมือนกับปัญญาแต่มันต้องทํามาด้วยกันช่วยกันถึงจะมีได้นะคือคือมันจะต้องมีทั้งองค์ประกอบเหล่านี้เลย นั่ถ้าสมมติว่าระบอกว่า เ, าเาฉันทำจิต ด, ดีแล้วแล้วคุณก็ผิดเรื่องศีลเนี่ยคุณก็คว่มเหมือนกันนะเพราะว่าศีลเป็นฐานเพื่อที่จะ น, นุนให้สมาตาวิปัสสนานไปได้อย่างนี้นะค่ะก็เลยมาถึงคำถามเลยนะคะของคุณหมูสิริพรท่านถามมาว่าเมื่อทำสมาธิได้แล้วจะต้องยกจิตอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าได้เข้าสู่วิปัสสนา ให้เราสังเกตขณะใดาของวาระจิตหากเราเห็นการเกิดดับของรูปนามอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาได้หรือไม่ขอให้ท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำวิปัสสนาเชิญละเอียดแบบให้อ๋อเลยค่ะท่านเขียนาอย่างนี้จริงค่ะที่ว่าจะต้องยกจิตยอย่างไรคือมันเป็นอย่างนี้โยมเต๋จริงจริะสมาถากับวิปัสสนาเนี่ยมันมาด้วยกันอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เห็น บางทีเราไม่เห็นต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะสมถา <Okay. S 1> วิปัสนาต้องมาด้วยกันอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เห็น เ, เปรียบเหมือนกับเหรียญเหรียญเนี่ยนะสองด้าน <Okay. S 1> เราเห็นด้านหัวเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นด้านก้อยว่าด้านก้อยเป็นยังไงใช่ไหมเพราะนั้นที่เราบอกว่าเราทำสมาธิสมถะได้แล้วเนี่ยเอ๊แต่ยังไม่เห็นวิปัสนาไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่เราไม่เห็น บางทีเราไม่เห็นแล้วทํำยังไงเราถึงจะเห็นหรือรู้ว่ามันมีอยู่อย่างไรเราจะเห็นได้เนี่ยนะคุณยมติเราจะเห็นได้เนี่ยเราต้องตั้งสติขึ้นจำต้องตั้งสติขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสมมุติคุณจะเข้ามาสมาธิได้เนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันมันไม่มีหรอมันมีนะแต่เราวางมันไปเราไม่สนใจมันหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเช่นง่วงอย่างเงี้ยเอ้ยฉันจะเข้าสมาธิให้ได้เนี่ย ง่วงนี่คุณต้องละได้แล้วใช่ปะหรือว่าความคิดฟุ้งซ่ันคุณต้องละได้แล้วไม่งั้นคุณจะไม่ละนิวรณ์แล้วคุณจะมาเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเข้าสมาธิได้เนี่ยคุณต้องละเรื่องของกามแน่นอนคุณต้องละเรื่องความคิดในทางพยาบาทแน่นอนคุณต้องละความคิดในทางเบียดเบียนแน่นอนคุณจะต้องละพวกนิวรณ์ความง่วงซึมความคิดฟังก์ชันพวกนี้คุณต้องละได้ละได้ละได้ละได้แน่นอนแน่นอนถูกปะ ตรงนั้นแหละคือคือวิปัสสนาเพราะว่าถ้าเราละไม่ได้วางไม่ได้เนี่ยนะเราจะเข้าสมาธิไม่ได้อะไรที่ทำให้วางได้นั่นคือวิปัสสนาในวิปัสสนาเนี่ยทำให้วางได้เหมือนมีดคมคมที่คอยตัดมีดคมๆที่คอยตัดแรงที่เราจะใส่เข้าไปในมีดคมๆมเนี่ยอันนี้คือสมาธินั่นคือสมาธิคือคนที่คนที่สามที่อยู่บนบนสุดเนี่ยเขาจะต้องมีมีดคอยตัด ผลไม้เนี่ยนะตัวนั้นก็จะมีมีแต่คนที่2ที่อยู่ตรงกลางนี่จะต้องเป็นคนคอยที่เอื้อมขยับตัวให้เขาขยับไปตรงนั้นตรงนี้นี่คือกําลังคือแรงที่เปรียบเสมือนกับสมาธิแล้วกเ็เวลาที่เราเข้าสมาธินิ่งๆแล้วเนี่ยที่เราผ่านมาความคิดฟุ้งซ่ันที่มันดับไปดับไปตรงเนี้ยคือถ้าเราเห็นนะนั่นแหละคือวิปัสสนาแล้ ว, แ ล, วแล้วที่บอกว่าสมาธินิ่งๆนี่คือ ข้อที่1นะข้อที่หนะว่าวิปัสนาเนี่ยมันอยู่ตรงสมาธินี่แหละแต่บางทีเราไม่เห็นไอ้ที่คุณวางวางมาก่อนนั่นน่ะแล้วคุณได้สมาธินั่นน่ะนั่นคือวิปัสนาแล้วอันนี้คือข้อที่1นะข้อที่สองข้อที่2นะเราสามารถสังเกตตรงจุดนี้ได้ก็คือว่าในขณะที่สงบสงบเนี่ยคุณไม่ได้สงบร้อยเซก็คือมันไม่เหมือนกับทะเลที่ไม่มีคลื่นเลยมันก็ยังมีคลื่นเป็นริบโบลอยู่บ้างตื้อๆตรงนั้นตรงนี้ อาจจะมีได้ยินเสียงนั้นก็ขึ้นมาหรือว่ามีความคิดนี้แวบเข้ามาอย่างเงี้ยตัวนี้จะให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงได้เสมอประเด็นคือความไม่เที่ยงเลยนะความไม่เที่ยงของสมาธิว่ามันมีการเกระเพิ่มสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นไหมนี่คือข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือว่าถึงแม้ว่าจะนิ่งๆเลยนิ่งๆในสมาธิแบบนิ่งจริงๆไม่มีอะไรเลยนะ นี่คือจุดที่สามที่สังเกตเห็นได้นะคือให้เรามีทิฏฐิทิฏฐินี่คือความเห็นนะว่าสมาธิที่นิ่งๆเนี่ยมันไม่เที่ยงคือคือยังไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงนะแต่ให้มีทิฏฐิไว้ที่นิ่งๆเนี่ยมันไม่เที่ยงให้อดมาอธิบายสาำอีการั้งหนึ่งดีไหมซ้ำๆจริงนะข้อที่หนึ่งที่คุณสินพรสามารถจะเห็นได้เลยนะคือว่าไอ้ที่คุณทําเข้าสมาธิมาได้เนี่ยนะเพราะว่าคุณต้องวางอะไรบางอย่างแล้ว ไอ้ตรงที่วางนั่นแหละคือวิปัสสนาเห็นไหมเห็นไหมนี่ข้อที่1นึ่งก่อนนะค่ะข้อที่2ในขณะที่คุณอยู่ในสมาธิเนี่ยมันไม่ได้นิ่งเรียบหรอกมันจะต้องมีความคิดเสียงบ้างอะไรบ้างผ่านเข้ามาให้เราเห็นความที่สมาธิเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่นิ่งมันไม่เที่ยงมีสิ่งอื่นโผล่เข้ามาแวบเข้ามาแวบเข้ามาอันนี้คือข้อที่2ที่คุณจะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นได้นี่คือวิปัสสนานะค่ะหรือข้อที่3ต่อให้สมาธินั้นนิ่งอิ่งติ้งชนิดแบบ เรียบกริบเลยเนี่ยนะก็ะให้เรามีทิฏฐิความเห็นว่าไอสมาธิเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวของมันเองเ อ, งเอกเทศได้แต่มันต้องอาศัยศีลบ้างต้องอาศัยอะไรบ้างสมาธินี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่สามนะอาตมาจะใช้คําว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงหรือว่าความที่มันเป็นอนัตตาตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าวิปัสสนาเนี่ย คุณทำยังไงเลยคุณถึงจะวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาแปลว่าเห็นตามที่มันเป็นคํานี้ก่อนนะวิปั ส, สนาเนี่ยคือเห็นตามที่มันเป็นบางคนก็จะแปลว่าเห็นตามที่เป็นจริงอย่างงี้นะซึ่งจะเห็นยังไงที่ว่าเห็นตามที่เป็นจริงก็คือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองตามสเต็ป3ขั้นตอนนี้ที่พูดให้คร่าวๆอย่างเงี้นะค่ ะ, ะที่ฉันขอตรวจสอบความเข้าใจได้ไหมคะได้ไ ด, ไดว่าหลังจากที่ท่านได้กล่าวซ้ําถึง2รอบเนี่ย ดิฉันยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างหรือไม่มนะคะอย่างข้อที่หนึ่งที่ท่านว่าให้สังเกตว่ า, าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยกว่าจะนิ่งได้คือความคิดต่างๆจะเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ในระดับหนึ่งวางสิ่งที่เป็นที่เราเรียกว่านิวรณ น, นะคะใช่ได้แล้วอันเนี้ยถือว่าเริ่มเข้าโหมด ของวิปัสสนาแล้วมันมาด้วยกันตรงนั้นถูกต้องใช่นะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองของท่านก็บอกว่าเมื่อสงบแล้วเนี่ยเราจะได้พบว่าไม่ได้สงบนิ่งราบเรียบเท่าๆกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะมีความกระเพื่อมซึ่งท่านเรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงของสมาธิ<ะ>ถูกไหมคะคื อ, ค, อคือที่บอกว่าข้อที่นี่คือหมายถึงว่านี่คือจุดที่สองที่คุณจะเห็นได้ นั่นคือจุดที่หนึ่งนะตรงนี้คือจุดที่สองที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ของสมาธินั้นค่ะค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเราสังเกตอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นเขาไม่เที่ยงแล้วรู้ว่าเขาไม่เที่ยงเนี่ยแปลว่าอยู่ในโหมดของสมาธิของวิปัสนาแล้วเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องทีนี้บอกว่าคุณภาพของความนิ่งเนี่ยดีมากเลยอืคือนิ่งมากแต่ขนาดนิ่งมากอย่างนั้นก็ขอให้เรามีทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องว่า ความนิ่งนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่เที่ยงเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆใช่ใช่อันเนี้ยคะ่ะท่านคะดิฉันอยากกล่าวเรียนถามท่านต่อไปนอกเหนือที่ท่านกล่าวนะคะว่าอันนั้นหมายความว่าทุกอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นเป็นลําดับหนึ่งสองสามหรือไม่คะทั้งหมดเออไม่ไม่จําเป็นนะคือเราเห็นจุดไหนเราเอาจุดนั้นเห็นตรงไหนเราาตรงนั้นคืออย่างข้อแรกเนี่ยมันจะมีคนมาบ่นอยู่กับ อาตมาอยู่เสมอว่าโอ้วันนี้เขาสมาธิไม่ได้เลยวันนี้เขาสมาธิไม่ได้เลยวันนี้คราวนี้มาปฏิวัติจิตฟุฟ้งซ่านมากเลย <ฮะ S 1> รู้<ฤ>คุณจะพูดเพื่ออะไรเพราะว่าก็ในเมื่อคุณเข้าไม่ได้คุณเคยเข้าได้ใช่ป่ะแล้วพอมาวันนี้คุณเข้าไม่ได้หรือคราวน<ฤ>ี้คุณเข้าไม่ได้ก็ทําไมไม่เห็นความไม่เที่ยงมันเลยตรงนั้นนะอพอเราเห็นความไม่เที่ยงว่าโอ้ใช่คราวที่แล้วเราเข้าได้นะคราวนี้เราเข้าไม่ได้โอ้มันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยจิตมันจะวางลงไปเลยวางลงไปปุ๊บมันสงบเลยนี่มันจะเป็นยังไง ถ้าถ้าตัวเองไม่เห็นแหมแล้วมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นก็คือไม่เห็นอย่บ้างล่ะไม่เห็นแล้ ว, ลวทําไงให้เห็นกูต้องตั้งสติให้มันแน่แน่นิ่งๆซะหน่อยมันจะเห็นได้ค่ะและถ้าอย่างนั้นอีกหนึ่งคำถามหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งคำถามก็ได้นะคะคําถามถัดไปจะกล่าวเรียนถามท่านว่าในลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยเป็นการเห็นได้รู้สึกได้ว่าเราวางได้แล้ว ข้อแรกวางคะอานิวร์เนี่ยนะคะแล้วมาถัดที่สองก็คือเราเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิอย่างที่สามมีทิฏฐิว่าความนิ่งอยู่มากๆนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามอาการที่เป็นนั้นหรือว่า ให้รู้ว่าเราคอยดักคอยเลยนะถ้ามีอาการอย่างนี้ให้รู้เป็นความรู้ที่รู้มาก่อนเป็นสัญญาเก่าและเอามาใช้อันนี้จะจะมีอยู่สองอย่างนะคือที่บอกว่าเป็นอัตโนมัติเนี่ยคือมันต้องมีเหตุปจัจจัยในการที่เราจะเห็นนี้ได้ต้องมีเหตุปจัจจัยปัจจัยนั้นก็คือสติที่เราตั้งขึ้นนะเราพยายามตั้งสติขึ้นนะพยายามที่ให้คมหน่อยกขามาสติเนี่ยคือการระลึกได้ระลึกได้ตรงนี้คือเพ่งจดจอ่อเอาใจจดเอาใจจอ่อเหมือนอย่างนายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ อ ย, อย่างเวลาเราไปต่อมอเนี่ยนะจะเอานอก <Okay. S 1> ประเทศเนี่ยต่อมอเนี่ยเขาจะมีใต้เคาน์เตอร์เขาเนี่ยจะมีรูปคนอยู่คนนี้คนนี้นี่คือแบล็คลิสเขาจะดูเลยว่าเปรียบเทียบเหมือนกันมันใช่คนนี้เปล่าอยนี้แล้วจะจับตันดีอย่างนี้นะถ้าใช่นี่นะ <Okay. S 1> คือเขาจะเพ่งดูอยู่ตลอดเน่ยเล็งดูอยู่ตลอดนั่นคือสตินั่นเองสติสตการระลึกได้เด <Okay. S 1> ี๋ยวเหมือนอย่างกับยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยจะคอยดูแบบตาหนิขมแข้งเลยซ้ายขวาใครใครมาไงๆ เนี่ยจะดูตลอดอย่างงี้นนะ <'Kay. S 2> อันนี้อันนี้คือคืออันที่1ส่วนในข้อที่2ที่มักจะมีคนมีความเข้าใจว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันต้องคิดเอาคือมันต้องคิดเอาแบบแบบต้องเป็นความคิดทนะี่นนเป็นคําพูดหรือต้อ ง, ปอา ง, า ง, งาเอป็นความคิดที่เป็นรูปภาพอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ในลักษณะความคิดที่เป็นรูปภาพหรือความคิดที่เป็นคําพูดอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราอ่านจากหนังสือมา โอ้พระพชทธเจาอธิบายไว้งี้ครุบาจะอธิบายไว้งี้เราก็จาคําของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาวิ่งบนอยู่ในสมองนี่คือความคิดที่เป็นคําพูดนะแล้วถามว่าไอ้ความคิดที่เป็นคําพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาหรือยังมันจะยังไม่ใช่เลยมันจะยังไม่ใช่เพราะอะไรมันแล้วแต่ว่าจะใช่หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจในคําพูดนั้นขนาดไหนใน แ, แรกเนี่ยพอเราได้ยินคนหนึ่งเขาพูดอย่างไงใช่ไหมสมมติว่า ผมได้าสารว่างี้อันเนี้ยเป็นสัญญาความหมายรู้นะเข้ามาอยู่ในไหนในใจของเราถูกปะ่ะเป็นสัญญาความหมายรู้ก็า ม, มาอยู่ในใจของเราแต่สัญญาหรือความหมายรู้ที่เข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นมกรรคหรอกยังไม่ได้เป็นมกรรคตราบใดที่ถ้าเรายังไม่ได้เอามาปฏิบัติยังไม่ไดเอามาปฏิบัติเช่นบอกให้เห็นความไม่เที่ยงฉันก็ท่องอยู่ในใจว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยแล้วมันไม่เที่ยงหรือยังไอที่ฉันท่องอยู่ใน ใ, ใจว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ย มันเป็นสัญญาหรือเป็นมาร์กกันแน่คุณโยนยำติ๋วเข้าใจแค่ตรงนี้ก่อนนะหรือแบบว่าสัญญา ค, คืออะไรมาร์กคืออะไรเข้าใจนะใจสัญญาคือความหมายรู้ใส่คุณจําได้เฉยว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ไอ้มาร์กเนี่ยคือเอามาทําจริงๆเลยเห็นมันจริงๆเลยว่ามันไม่เที่ยงซึ่งต้องใช้จิตในการเห็นถูกไหมอ๋อใช่แหม่ฉันเก็บเงินมาเงินหายโอยวันนี้เดินไปมันสะดุดหกลม้มก้นจําเบ้าโอ้ยมันไม่เที่ยงจริงอันนี้คือเห็นด้วยแบบประสบการณ์ของตนเองเลยอันนี้คือเป็นมาร์กแล้วนะ ทีนี้ตอนที่ทําเป็นมร์แล้วเนี่ยมันจะยังไม่ได้ได้ผลของวิปัสสนานั้นจนกระทั่งเมื่อเราวางได้แต่เพราะฉะนั้นจุดที่2ที่คุณโยมติวถามมาสุกรุว่าเอะเรามาท่องมาจําอย่างเงี้ยจนกระทั่งหนึ่งนะจากสัญญานะให้เป็นมร์นะแล้วจากมร์เนี่ยให้เป็นญาณญาณคือความรู้รู้แบบรู้แจ้งเลยนะรู้จริงเลยนะว่าอ๋อเราวางได้แล้วตรงนี้อันนี้คือคุณทําวิปัสสนาแบบถึงละดีละ ละเอียดแล้วอย่างงี้น ะ, ะนี่คือจากไล่มานะคือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือจากสัญญาเนี่ยเป็น information อินโฟเรชันเฉยๆนามาเป็นให้เป็นมาร์กอย่างเงี้ยมาร์ Mark นี่คือเป็นแบบ knowledge คือความรู้แล้วจกนกระทั่งเป็นญานญานนี่คือเป็น wisdom คือปัญญาเียไล่มาจากข้อมูล3ขั้นตอนอย่างงี้ครับน่าจะเป็นละเอียดแบบอ๋อแล้วนะคะ ต้องถามคุณหมูน่าจะ อ, อ๋อละต่อไปข้อสองท่านคะคุณหมูถามว่าหากเราแยกอารมณ์ความรู้สึกกับจิตออกจากกันได้โดยไม่เอาสองสิ่งนี้มารวมกันอุปมาเหมือนแยกคนตีกันออกจากกันหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรคะโอ้โหทําได้อย่างนี้มันดีมากอยู่แล้วแล้วก็ทําให้มันมากๆทําให้บ่อยๆนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าภาวิตานะ คนไทยก็จะแปลว่าภาวนาแต่แปลเป็นไทยอีกจริงๆเลยก็คือทําให้เจริญทําให้เจริญเวลาแยกคนตีกันออกจากกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวๆถ้าเราไม่คอยดูเนี่ยมันไปตีกันใมาอีกเหนื่อไหมคือคนมันมันแบบมันรวมมาต้มกันอยู่เนี่ยเราแยกออกจากกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับไปตีกันใหม่อีกก็คือยังมีการกลับกําเริ่มั่นเองที่ว่าฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอภาษาหน้านี้เดี๋ยวมันจีดอีกแต่ฉันแยกแล้วจิตฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับความคิดไปนอกหรอก เดี๋ยวพอเผลอเท่านั้นน่ยมันมันไปยืดอีกมันจีดอีกมันเครื่องอีกมีปัญหาอีกอันนี้คือลักษณะของการที่กลับกําเริบเดีย๋ยวเช่นบางคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดโอ้ดีจังเลยกลับไปบ้านสงบสุขไม่พอเจดวันเลยจีดอีกแล้วอย่างเงี้ยน ะ, ะเหมือนกับไม่ได้มาอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นคุณทํายังไงอ่ะมันกลับกําเริบไงเราจึงต้องมีการทําบ่อยๆทาบ่อยจะมีความชํานาญเหมือนกับว่าเวลาที่เขา ทำสนามหญ้าใหม่ๆนี่นะสวยงามใช่ไหมปรากฏมีคนก็ไปเดินลัดสนามเดินทีเดียว2ทีไม่มีปัญหาแต่เดินเป็น10บๆทีเนี่ยมันจะเป็นร่องเลยหญ้าก็จะตายไปตรงนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าถ้าเราไม่ไม่เดินอยู่เรื่อยเดี๋ยวญ้ามันก็เกิดมาปกคลุมเหมือนเดิมอีกเหมือนไร้ร่องรอไป น, นถ้าเป็นหลายๆปีเข้าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจนชนานาญฝึกจนชนานาญไอ้ที่เราแบบวางได้วางได้เนี่ย ต้องแบบ Abby, ทําให้ละเอียดเลยทําให้ชํานาญเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่ทําเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะที่วัดแต่ทําที่บ้านด้วยไม่ใช่เฉพาะที่วัดและที่บ้านเอาที่ทํางานด้วยบางคนก็เว้นการเดินทางแที่ทํางานดีที่บ้านดีที่วัดดีแต่ระหว่างทางเจอคนขับปาดหน้ากระชีดเหมือนกันเอาก็ต้องทําตรงนั้นด้วยให้มันละเอียดให้มันทุกสถานการณ์ให้มันทุกด้านเหมือนเจรนัยเพชรพลอยเนี่ยเขาไม่ได้เจรนัยด้านเดียวเขาจะต้องเอาทุกด้าน ไม่ได้เอาเหลี่ยมเดียวเอาเป็นหลายๆเหลี่ยมแต่มันถึงจะงดงามอย่างเงี้ยน ะ, ะก็แปลว่าสิ่งที่ทำมาถึงตรงที่แยกจิตกับอารมณ์ออกจากกาันได้นดีแล้วแต่ต้องทำต่อไปให้มีความชนานาญและละเอียดยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกตูต่ตองทำแบบเนี้ต่อไปอ ม, มิเช่นนั้นอาจ ก, กลับกาเริบไดใ้ใช่ใช่ช่ค่ะงั้นขอผ่านไปข้อสามเลยนะคะเจริา เมื่อคนเราตายแล้วอะไรที่จะไปเกิดในพบใหม่ในเมื่อจิตมโนวิญญาณคือสิ่งเดียวกันแต่เหตุใดสมัยพุทธกาลมีภิกษุองค์หนึ่งพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระพุทธองค์ทรงเรียกภิกษุนั้นว่าโมคบุรุษกับคาพูดนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าลัากษณะของจิตมโนวิญญาณที่มันมีความเหมือนกันเนี่ยคือความที่มัน เป็นของละเอียดเป็นกองที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นกองที่แบบมีลักษณะนามว่าเป็นดวงดว ง, ดวงแต่ว่าการทําหน้าที่ของมันไม่เหมือนกันในการทำหน้าที่ของมันไม่เหมือนกันจิตเนี่ยเป็นคําที่บ่งบอกถึงความที่มีลักษณะสั่งสมคือสั่งสมบุญสั่งสมบาปในขณะที่มโนหรือวิญญาณไม่ได้ทําหน้าที่ในการสั่งสมเหมือนจิตได้เนาะมโนแปลว่าใจหมายถึงช่องทางหมายถึงช่องทาง ท่านพระนท์เคยเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยนะบอกว่าวัวสตัวคือวัวสีดําที่เปรียบเหมือนรูปมาผูกอยู่กับหลักหลักนี้คือตาตาเป็นช่องทางนะวัวสีดําคือรูปนะมาผูกอยู่กับหลักแล้วก็วัวสีขาวคือวิญญาณมาผูกอยู่กับหลักนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกเป็นจักรสุวิญญาณด้วยหลักการเดียวกันนี้หลักคือมโนมีธรรมารมมาปลูกเอาไว้เป็นช่องทางนะ มโนโปเป็นช่องทางให้ธรรมารมณ์เกิดแล้วอะไรมาผูกเป็นวัวสีขาวก็คือมโนวิญญาณนมาเป็นวัวสีขาวที่ผูกอยู่บนหลักนี้เหมือนกันดฉะโนั้นมโนเนี่ยเป็นแค่ช่องทางมโนเนี่ยไม่ได้จะเป็นตัวที่เก็บบาปเก็บบุญเหมือนจิตเลยส่วนวิญญาณเนี่ยเป็นการทําหน้าที่ของจิตที่ไปรับรู้นระพุทธเจ้าให้นิยามคําว่าวิญญาณว่ากิริยาเป็นกิริยานะกิริยาที่ รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณในกิริยาเพราะฉะนั้นใครหลายคที่ไปทำกิริยานี้ก็คือจิตนั่นเองจิตไปทํากิริยาที่เรียกว่าวิญญาณเปไ็นในการรับรู้อะไรบ้างรับรู้เสียงผ่านทั้งไหนทางหูรับรู้ธรรมารมพานตา้งไหนทางทา ง, ทางมนโนดังนัมันจึงแบบละเอียดเสมอๆกันแต่ว่าคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นที่ คุณสิลปอนถามถึงว่ามีพิสูตรรูปหนึ่งรูปนี้ชื่อว่าสาติแต่ก็มีคําถามว่ า, าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ท่องเที่ยวไปนะคําตอบเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกทิฏิเนี่ยไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเอแล้วถ้าเราตายไปอะไรที่ไปเกิดในพบใหม่มันไม่มีเราจเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นความเข้าใจที่ผิดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นโมฆะบุรุษราเป็นความเข้าใจที่ผิดที่ถูกก็คือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้น อันนี้คือความที่มันจะถูกต้องและไม่ใช่ว่าเป็นเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ลอยไปลอยมาไม่ใช่งนั้นแต่มันจะลอยไปก็มันต้องมีเหตุปัจจัยมันจะหยุดไม่ลอยไปมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยของมันก็คือเป็นการทําหน้าที่ของจิตในที่ว่าเป็นผู้สัง่งสมใช่ไหมไป <Nein. S 2> ในการทํารับรู้คือวิญญาณไปในช่องทางคือมโนพอมีการทําหน้านที่อย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วเนี่ยจึงไม่มีการเกิดใหม่ทําไม่มีการตายทํามไม่มีการเกิด เี่ยตรงนี้คือหลักการที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องนะคือจิตนะไปมีสภาวะสังสมเนี่ยไปทำหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางช่องทางคือมโนแล้วก็ไปรับรู้สิ่งต่างๆทำให้ปรากฏมีการเกิดทำให้ปรากฏมีการตายการทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยตรงนี้จะทาให้เหมือ น, อนกับว่ า, ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่นี่คือหลักการที่ถูกต้องที่เราต้องําความเข้าใจนง จะเป็นสรุปแบบที่เราเคยพูดพูดกันมาว่าวิญญาณเราจะล่องลอยเมื่อเราตายแล้วไปเกิดอันนี้ผิดนะคะผิดใช่คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนค่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นภิกษุษสาติไปเลยใช่ใชเานาะเจาก็คงจะเป็นความกระจ่างมากขึ้นถ้ า, ายังสงสัยอยู่คุณหมูหญ่ลังเลนะคะถามต่อมาใหม่เลยเอาไว้เป็นอันว่าหมดเวลา ค, ะะคะ่ะเจนฝานเจนฝาก็รู้สึกว่าได้ความรู้เยอะเลยนะคะท่านฟังสําหรับวันนี้ ซึ่งเป็นวันดีอีกวันหนึ่งเราจะได้สังสมความรู้ทางด้านธรรมะปฏิบัติก็จะมั่นใจกันมากขึ้นค่ะนอกจากจะเริ่มต้นด้วยการทำเพื่อตัวเองแล้วเราก็ยังจะสามารถใช้การกระทำที่เป็นกุศลของเรานี้ถวายเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างเช่นในวันนี้เรากาลังตั้งใจมาทำความดีกันเพื่อถวายเป็นพระพรในโอกาส วันเฉลิมพระชนภรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาฏกันนะคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเจนปาลท่านฟังที่เคารพคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการสันสนีสนานาทางสถานีวิทยุรอบกรัวข่าว fm 1 0 6ในวันนี้นะคะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้พุทวสวัสดีค่ะ